รู้ได้ตีนังแล้วจะว่ากันแหมมาทำบุญไหม<แ>พันว่ากันไปว่ามาทำบาปเอ้ะปิดหูตายหัวปิดตาสองของ้างปิดปากซะบ้างล้วนั่งบังล้มหายใจคอขอขอกเป็นตัวย่างดีๆได้ไหมวัดหลวงพ่อนี่นี่หลวงพ่อกระก่ายพี่น้งองท่าไกลน่ า, าจากอังกียอังเกียรติของตัวี้ตั้งไหนแน่ วันเตะงันก็ได้ก็ัดป um ัไดุ้งมือทรงแบบมันหนาล้งพ่อพาน้องกั้งผมก็วุ่นวายแพ่อายที่เจ้าเนี่ยใรเวาทท่าน เอือออมอดแท้กะรกะต่ายลงน้ำแข็งสินชัยทำบุญต่อยกให้คุณพ่อสินชัยสมบัติล่าคุณแม่คำพุนสมบัติล่าคุณพ่อคูณเป็นน้ำคุณแม่วันทาเป็นน้ำ โดยต่อไายปัจจัยเป็นจำนวนหนึ่งสนห้าพันบาทนั่นน่าไม่าทุกก็เพาวคุยกันมาัแจ้งว่าน่เป็นวงค้นบพาว่าลาทุสาทุกจะหันละงเล็ดติดแค่ไหนแค่ไม่เลยยิ เน้รสันทเทวดาอยาต่ยิู๋สุจ้อกลำากวยจยกสวยจากนัดาอกไปพระเอาทีแมนุมพอมแล้ว่ามากนะเนี่เห็นบ่าาน้แข็งถิ่นไทยตอนแขนกกว่าฝ เพราะอคุณายตวนแก่ตงน้าพรเจ้าเอาเขาเล่าแกะตงเขาเตยซอยแล้วก็ผุงเลยนะอยาเก็บอเขาเนี่ยแล้วสั่ระโจมก็แก่ถงความพระเจาเขาลางหมืนเดีเอาเขาสลามเหมืนเดียวีเขาได้ทุมืงน เดีุ๋ณคุ้มเขาไงตนั่นของหลวงไงขมูลนิธิของหลวงไหทยูมูลนิธิเก็บคนละดอกลใส่ใส่คุณนะคุจวนาทุ่งฝนกอยู่ด้คือเาตัเด็นี่เยกนั่นทนี่กข้ามทมดกขององค์ มูนิทธิราชทรัพยทเาค่ะมุขพักใหลวงปู่พรมูนิทธิหลวงปู่ศรีมหาเลอโลกกไปแล้วเกิดเป็พ่อได้เป็นพ่อนี้หลวงปู่ก็บอกใี้เราเป่นบริจาคทานวระทุปใจยังไงหลวงปู่ให้พ่อไก่เพอแล้วพ่อหนี้หลังพ่อพันว่าปี่นไม่ได้กลับไปถ้าไม่ถึงพอพันล้าน ห้ามไม่ใช่ใจนะแล้วพอพันละเราค่อยเอาดอกผลมาใช้ใจใช่หนึ่งพั้านดอกผลป็นึงิเลสว่ต้องไปแ็กบุญกฐินก็ได้ดีเอาดอกผลมาล่มก็ได้เลยนักกว่าไปบุญกฐินบุญกฐินที่เอามาสอดมาจมนั่นจนงอยู่นี่หาเรื่องยากไปเดี๋ยพระยากกว่าทำบุญกัน ต้องร้องคอว่ายอ่าเงี้ยยังคุยแท่งมังค์พอยังสิมาอีว่ผู้กีิรุณไม่จากเงียบเนียบไม่จากเทศบุญแต่พักกานมาเ็ศบาปเสียวัฒนาธรรมเท่าไหรเท้าคุ้เขาวัดปิดหูใส่ัวปิดตาสองขางปิดากแลบ้างจั้งเรียกว่าธรรมบุญเนี้ยแต่หาปคุยกันของออกจะน้องเข้าไปเรื่องโลกจะต้องเข้าวัด ดิว่านุ้กขอให้ไม่ออกจมแต่ไม่ออกแท่ <c oughs> อ, อเาเพราะงี้เจ้าอาวนับเต่ า, ากลับิมินาพบ ก, กันคูณนับก็ น, นับไปแค่ออกจอนะมันต้งเสริมกันได้ก็ผู้ว่ากับว่าไปนับปิด คนยิ้องยิ้มด็กเพื้อนั้งฝ้าวิ์หนังคุณนี่พี่พิที่ผาพูว่าประจนที่มีน้าปับไปรดได้หน้าแล้วครับสันเปล่งมงคลความแน่นหน่อกุ้นการยิ้มถนอมกระเจ้นขม้าครับัาหน้าในหางอ่าอันดัต่อไป ก็จะถือสวายก็หินต้องสิตสบายก็ฟอกสินจะเด็กตะกุ่นก้อนกันตะกุ่นเป็นตัวคาราข้าวเวทังในตละบ้านข้าวเวทังโค้กเต้วโห อันนั้นปีพีรุร่นต้องไปตาบังาติสาหรับแท่นจุดทูบจุดเทียนเพาะ่ใจพิธีจุดทูบจุดเทียนมันเปี่ยนมใช่ไม่ดเพราะท่าิธีเนี่ยแท่นประธานจุดทูบจุดเทียนคือตะวาราะาสบันเสร็จแลวจิตมันยังงามดีก็จุดทูบเชิดประธานจุดทูบจุดเทียนเชิดประธานตะไาย ตลับบัตรก็มอคือกันตัวอยู่เน็ตเินล้วปวดมากมนี้ก็ถูกกเทียน่อไตลับนี้ยมแล้วไปแล้วปักไปตั้งโซ่ไปแล้วไปเลยเอาเวลาความกานไปเลยด้าคามแรงมากแล้ว แต่ ว, ว, ต ว, ว่ายกาว่างไว้รอผ่าพี่รุ่นจะไปตั้งไว้ก่อน <c oughs> ตั้งรอข่ากับเช่นประทานไต่ว่ายตลวัดก็พร้อ ม, พอมกันกลาฝึกเอาพินาพรอมๆกันมาว่างไว้วันผ่าเช่นพระบัด ยกตวายพระสงฆ์ไกนั่นเนียบทอ่านยกยกตะลวันได้เพราะว่ายกประวายพุทธิยันต์สิน้องคล้องกตินีแบบแทนทูตทุฏิอันก็ โอเคนี่นี่นะ know ธินาทุสังสังฆัสสะโนโยชยามาชาตุโนพันเตอิกุสังโฆอิมังสัติวารังปะธินาทุสังปะิคันหาตู ปฏิทัศวาจติมินาทุเสนากัตินังัทารตุอมหากังทีพระรัตนีปตายะสุขายะข้าเดรพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอร้อมถวายซึ่งข้าเพื่อกระถินพร้อมธรริวารเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งข้าเพื่อกระถินพร้อมทํรบริวารเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายคันรักแล้ว โกลกาลกะถินด้วยผ้านี้เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการรับงานเถิดสาธุ พาไปวาอนเาาไปวางไจนางองสวตองหนึงมาทางพี่แม่องเสวตองนึ่งมาทางพี่องสวตองหนึงมานั่งทางพี่เพื่อประลงล่วกับสวดเลยตัวกูไงกูโจเกเกอีกตัว จักว่าเตรียมอะไรล่ะผาเหลืองกบมากผ่าเหลืองกบมากบริวารอังผาเหลืองมาจากกระดินงเมืผ่าสํำเร็จลูกแล้ววังผังหม่อโขลนีมาอั้งเจ็กะนี้อังมดทั้งหน่อ สันตอาณาบรรดารวะสมมดโรครองโอชนังยาวาตาจีวรามโตตาตาจีวรนิสังภติสุภิเติเุาเสุจวตตกโตภะตรานิสังโอังขตินุโ สวิตาเซวะภูเขาสัตว์ที่อัตตาหูเตกากินังอิรานิกาสิมังกากินังอุสานัสสัมกาินัอัคาริตุโยจินังจิวารัวโปาราจิวารโยุสานสติอาจววารกมมิทัเปโตวะสับบวิธานปริเปโตวะกาินัอาริตุสมโวิสัติ เอกะอภิสุวายะมาปัญญาต่รองซามาละโกบุคโตวะตมาตรวิเนยตรองซาปะระหมาจาริยังสันสกะสมรสโกสมติสโกะซาปัสกะบหนนัจารโยตวาวตโกสัสโกสมโตจตตัังวิเนยกรมังอวิโกเพตวากินัตถะรตุนัญญาไม่วังสัังสัง ยมังคตินาลุสังอายุสมัติทุันยัตารสทโมตินกัสรเตสยังสงมเทวามริสเดชอายุสมัติทุัตรเวิมังสเรวารตินาุตมวาวิมสังสต ยังอาญาสมันตปัญญาทรสัตวอิมังสัม pariwarang k a d u, u s a n g d a t u m s s i m a t s a s a m b h a s a d a t i s a k u p a n s o อิมัง k a d u s a pariwarapu a n g ti tiwarang wat sambasika ti ti kanya a k a n tawa อาญาสมันตปัญญาทรสีวะ อิมินาอับปัลวกเนนาดานโตดิยังมาณมปนาโรห์เตทัสสะมาตังยิดานิยติดุทิเยนะกมเมนะกุเปนะฆาณารนะญาตสมะโตปัญญาคารสัเดมาเตกรรมะสันนทานังกรหต สร้างโกดิมังตาินาดุสร้างอายะสมะโตปัญญาทาราส a เดรยาตาธินังตาลิตุงเอสาญาติสรุณาโทเมภันเทสรังโกดีรังสร้างศาส a าตาธินาดุสรบุนังสรงโกมังาินาดุสร้งอายะสมะโตปัญญาทาราสัเดติ ท่านบัต a ิตุงยาสหายะสมะโตขามัติยิ่มสั h ย์ท่านบัตริตุงโสตุนหาสักยาชนะขามัติโสภาเชยะดินดังอีดังสร้างเคนา ตาที่นั่งรสังายะสัมมาตปัญญาทั้งตาทีนั่งจาริสุงภามติสังตสมาตุนีเอวามตังาย ภิกขุจักสมณนนะรัชกาศกัตริย์จะทาทุกข้ามเปรีพนันตุเก็บได้เด้อบกงวงกไม่นู้๊ปอประโลหแล้วป็นขุจัสมณะรจากาศกษัตรัจ์ข้าจหาจะเก็บได้จะเอาสงสัยคเดียวเด้อล่ะพี่น้องททนให้ท่านไหน อ, ออกไปยู่ กว่าคนนั้นยอดต่อมาอันนี้ต้มาแล้วสองแสนเก้าหมืนห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท แต่แน่มะประมาณอืมแล้วก็มันเก้านถึงถึงม้ว่านนวัก่บาป่าักไขวอนจีหรอยน่ี้ย บ, บาปอะเนียบเนียหรือทวงผู้ที่เอาหลายถึงบันโก้หน้าแม่จะเป็นเป็นคนจิตต๊าบมาเตหรือแม้มันเป็นบาปที่เกิดความโลภก็ใจว่าเพื่อหลายหลายไปเพื่อแก่กันคนละชิ้นคนละอันไันมีจิตใจจะเรียายานจะสร้างความโลภความโลภมันเป็นบาปเวลาเข้าวัดหรือาปที่เล็กไปคือความโลภ จากวัดควาโลกนันเป็นบาปนานลูกหานใหญ่หนูเทียนทุมสิบ ต, ต่อวยอดจำนวนห้าพันบาทมีจีโยมธารกรรมลูกหลาน โยมสุภาพรที่เคยมาประจ็มาต่อรู้ึะว่าจะเป็นพันเป็ อ, อะไรตัดเดียบอกไว้แล้วไม่ได้สนหลายทุกหนุกแหงชาติถึงทุกแห ง, แหงเรีย บ, บ ง, งาบบ่ายกันถินฟังฟังมาทำบุญกัอท่าให้เกื้อหนี้นเงียมุงาเซ้าก็พอกเงียนเงียบเป็นบุญ รูกัตทีเป็นของญานเป็นของนายเรื่อปัจเประสงค์จิตโกพาคนว่าคนนั่นนู้นมิเจตธาตุเปล่าเหยียเป่าทั้งกว่าจะนั้นปีต่อไปนลวพู่ว่าวเด็เย็นปะหลาห้เย็นอ่ะบอกแคบค้างเราะด็กมจับเป้าหมายเลย ว่าแม่มาทำบุญลกอีเดียง์ว่าแม่มาทำบุญบุญวัดไปวัดทำบุญทำบุญคือความสมองสมัยสมัอนี่ว่าวิเศษพระเจ้าสมข้าไปสู้กันเหมิดเมื่อนอกเมื่อน่าอยากให้วัดป้าวัดหลงเป็นตัวอย่างเนี่ยทางที่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคทางเขาวัดคือความสูงคือความสมองคือเขาวัดทำบุญการบูมีความ ก็ลบตีความยำเก่งในวัดว่าอาลามเป็นมาเป็นบาปคุณไหว้โลกนีุ้ณไว้เนาะคนเฮ่าชอบคุณไหว้ถึงมัก อ, อบยั่งจนืนว่ามันเป็นแนืท่าเก่ น, น, น, นื้ท่าดีถูกต้องทำบุญพระใซื้อเบิ่งล่งหายใจข อ, อจะเบาเาจะเท่าเบากุ้ยการจ้ะจะให้สลดสุใจ ตัวปัจจัยยอดั้งนี้สามแสนหนึ่งมืเก้าสิบบาทอ้โหจนายเื้อเจียบนายที่รุปปร่นก็ไปจะอยกว่าสมองไหลกว่าเน่าเอิญผ่าจะจะซื้อมาหลายเห็ุเป็นได้บุญเห็ุว่เป็นได้บาปคันพระว่าีกลับไปพระเป็นโทษยกักพราเอามาความไว้จริง ผราสัาพระองค์ใวรทั้งหลายทั้งมวล้าพิจิตรสงเก็บไว้นานไม่รีกลับปัอาบักผ้าจะไม้อันิสง่าแต่ว่าเรืองไมกลับผาแล้วเก็บผาอดีเลกีว่ามันคือผาอดีเรผาหลายหลายผาบริวารมันง้าภิจูจะเกีบไป้เพื่อตนเองต้องิำที่รีบกลับแต่พระก็เห็นมาช่วเสริมไปพระเห็บา เพราะเม่เส้าก็เื่อแตนขึ so, there, ้นน okay? right, well, ้อยมาพระท่านนะพรท่านจะไปพวนพระพระบนเสีสันต์พระบนเอาพ่อดีแล้วมื่จับจัดยนในพระเอาหลายหลายสี่เสลียมเศษเหลี่ยมพระสงสารหลายหลวงตีมะแต่ความหลายหลวงมันเป็นแท้จริมเพื่อคอยใจยังไงคอยใจมีรุ่นเอาทาน้อยๆเอาแนวก็เป็นประโยชน์หลายๆแนวค็พ้นญาติกาดีบมุขพระก็พญาติการี ญาติคนเดินหนังล่ะญาติันจะเอาว่า่ากันยิ่งกันก็มีเพื่อหลังล่ะเพื่อจะคล้องตักระทีนี้เองบางคน่วยจับีนี้เขาไปตะก้อนหน้าอ่านนี้ก็จับไปบายก็ได้ญาติโยมมีสิทธิ์เอาแยกไปว่าติว่าระก็ยุงกันมันเลเห็นว่าไมยังไม่อย่างก็เอเทียนมัดป็น่าด้ นี่ปัญาที่พวกหอูเกกันพวพวตต่อไปหามเนีก็สร้างพูได้เร็กนยัต์ั้ยันไม่ศรัทธาพระเจ้าเลยหามฟังว่ามาพวกกันวนี้คนยากแต่พกคนหูคนกี่เดือนแึ้ถึงเวลาข้าบุรุษพวกว่าตไปสมัยบอบพี่หูเปล่เลยหูจับเปล่าปะปอบพีเตหูคุ้ยหมูคนกับพได้ยินตัว มันมึงควอาให้ยังไงหรอึงก็ให้ก็พใจหรือไปย่องมันยันย่องที่เลนก้นเิ็นถิ่นไรตีย่องย่องย่องย่องไปมากก็เป็นวัดปูนไหวเยถ้าเดียก็ยกระบเป็นถวายตีดินถายมือนี่ขึ้นกับถวายกุฏิลังมึงข้ามปุ่นมึงก็จะฆ่าจะกล้าปุนใครกยจนไหเี้เป็นหอน่อยน่อยหากอนน้อยอ่อ้อยเพราะเดือกระเทีนเราจับดึงกับปาป้ด ทั ừ, ừ <S <S ุญก <ừ. S 2> the ็ขอกไกเพื er. mm ่อเสพพระญาติถ้ว่าทับบุญใส่บาทจนสั่นก็ใส่น้อยๆง่อยใส่เพื่อเดียวดงนก็เลยใส่จ่อยจ้ะใจ่อเลี่ยเคียวจานกันพระอมี้หลายพระสงฆ์ิล่าปาพระสงฆ์สินักก็ใส่น้อยๆป้อยเป็นสันเ้นเอาอาหารก็สันก็ดนี้ก็สันตุส ิพญาิก็มาส่งเพิ่มเติมใหม่ที่เรยนน้นนาแนมก็ไปอีกคุณว่ายอีกแท้ที่งเด็นจักหมาจักแมวมา ป, ป, ปล่ปลอยร่ววัดงพ่อวัดเห็นกนบาดหลายอยากให้เขาไปวัดทำบุญอยากให้มีอยากเดี๋ยวคือทำบุญทำอะไรไปหนึ่งเพื่อจะมีสมรทีช่วยจะมีมปัญญาแต่นี่ปัญญามีกล้มง็อกตู้ว่าเนี่ยเด็กผิดเด็กเถือนมบมีปัญญา้านเขาเข็ดน้ำ คนเห็นมาน่ยเพรขนนประมุนตเจ้าประมุนตาเจ้าว่าเห็นน้าเขาว่เห็นตาเขาเพราะเขาพ่าทำมากเขาพาทามากเขาค้นงเขาจะไปเสียที่ไหนบัดเอาพระุเจ้าจุดไฟจุดูกจุดเทียนจุดส่เป็นธาตรวจน้ำจุดใส่บัดทำบาบ่าเห็นตรวจน้ำ่าเห็นจุดถูกจุดเทียนือได้บาปท่านบุญขอรอแกลตรวจน้าตรวจน้ำน่ากันโยน ไม่ห e. ้ามเรือหนาด้วยมัิใ้หลวงพ่อแกของทีละลกอีกนะเอาตนี่กไปลวพ่อ้วกุบสงกคนยจันีนองตลอทั้งพระเจ้าสงมาร่วมกันแสดงความสามัคคีเป็นหน้าหนึ่งใจเดียวกันสามัคคีคือกายจะตาายสาวนีี่ว่าจ้าข้าวต้องมอนไหบ่าลสามีี่จิตใจคือทใจนิ่งใจสงบนั่นะว่า พัฒนาตัวอย่างตัวอย่างในทางที่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจงงบ้อบุญบายจะทาวารวา